ทรงประชุมสงบัญญัติศิกขาบทลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมสง์เพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายทราบว่าภิกษุณีจันทากาลีถูกตัดสินให้แพ้คดีในอาทิกรหนึ่งโกรธไม่พอใจกล่าวอย่างนี้ว่าพวกภิกษุณีลำเอียงเพราะชอบพวกภิกษุณีลำเอียงเพราะชังพวกภิกษุณีลำเอียงเพราะหลง และพวกภิสุณีลำเอียงเพราะกลัวดังนี้จริงหรือพวกพิสูทนรับว่าจริงพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาค พ, พุทธเจ้าทรงตำหนิว่าภิกษุทั้งหลายฉนภยพิสุณีจันทากาลีเมื่อถูกตัดสินให้แพ้คดีในทิศก่อนหนึ่งโกรธไม่พอใจกล่าวอย่างนี้ว่าพวกพิสุณีลำเอียงเพราะชอบพวกพิสุณีลำเอียงเพราะชังพวกภิสุณีลำเอียงเพราะหลง